ปฏิบัติแล้วจะคานพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนฝึกอะไรก็สู้ฝึกตนไม่ได้คืออะไรอะไรก็ดีก็ดีแต่สู้ฝึกตนไม่ได้ชนะอะไรอะไรก็ดีแต่สู้ชนะตนไม่ได้ดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมว่าโยสหัสสังสหสเสนะสังคาเมมานุเสชิเนเอกันจะ เจยมัตตานังเวสังฆามาชุตตโมการชนะคนอื่นนั้นคุณไปด้วยความทุกข์ความทรมานความก่อกรรมก่อเวรจะชนะเป็นล้านล้านก็เท่ากับก่อกรรมก่อเวรไปตามๆกันเป็นเงาเทียมตัวไม่มีอะไรวิเศษผู้ชนะก็เป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรผู้แพ้ก็ผูกกรรมผูกเวรเครียดแค้นภายในใจ มันแพ้พันยร่างกายแต่ใจมันไม่ยอมแพ้อาคาดบาดหมางกันไปตลอดตลอดนั่นเห็นไหมละ่ะเรื่องของจิตเอาเราสรุปเอาเนื้อความแปลอัดแปลรมเพื่อแก้กิเลสต้องแปลโดยอัฏฐะไม่ได้แปลโดยพยัญชนะแปลโดยพยัญชนะนี้ยกธาตวิพตัตติปัจจัยวาจกะอะไรเข้ามาประกอบกันแล้ว เป็นเอกพจน์พระหูพจน์รวมมาแล้วจึงมาเป็นคาหนึ่งมันก็แล่นอยู่กับหนังสือไม่ได้แล่นอยู่กับกิเลสไม่ได้ฟัดกิเลสถ้าปลาด้วยอัตถากิเลสอยู่ตรงไหนพังเข้าไปเลยมีปลาอยู่สองอย่างปลาดยพยัญชนะต้องปลาให้ได้สับได้แสงให้ถูกธาตุวิพัตติปั จ, จัยจึงจะออกมาเป็นคำได้มันก็เป็นตัวหนังสือเสียหมด ไม่ได้เป็นกิเลสกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิกถึงจะแปลถูกขนาดไหนกิเลสไม่ถลอกการแปลมีอยู่สองอย่างตามหลักวิชาของการเรียนทางด้านปริยัติแปลเดือพยัญชนะต้องให้ถูกสาบถูกแสงถูกธาตุวิภัติปัจจัยวาจกะอะไรเอกพจน์พหูพจน์ให้ถูกต้องตามนั้นมันก็ได้เพียงหนังสือเท่านั้น มาประกอบกันเข้าแปลว่านั้นว่าถูกว่าถูกหนังสือเราผิดไปแค่ไหนกีทวีปไม่รู้นะแปลโดยอัตฐะหรือโดยอัฏนี้กิเลสอยู่ตรงไหนพังเข้าไปเลยนั่นนี่แปลโดยอัฏหรืออัตฐะเอาเนื้อความเอากิเลสให้พังไปเลยนั่นแปลสองอย่างแปลโดยพยัญชนะ ปลาดยอาธธาัฏถะกรรมฐานท่านมักจะปลาดยอัฏฐะทั้งนั้นล่ละอย่างเราเรียนมานี้ก็เหมือนกันเราก็เรียนมาจนเป็นมหาว่าไงคุยสักหน่อยเถอะนะมหาบัวนี่นะพัดก็ติดอยู่ก้อ้เห็นไหมละ่ะปลาดยอาธธาัฏฐะโดยพยัญชนะเข้าใจทั้งหมดแต่เวลามาปลาทางภาคปฏิบัติปลาดยอัฏฐะทั้งนั้นนะไม่ได้ไปพยัญชนะนะ ธาตุวิพัติปัจจัยไม่สนใจแปลโดยอัตถาเอาความกิเลสอยู่ตรงไหนพังเข้าตรงนั้นตรงนั้นพอพูดอย่างนี้ก็สัมผัสก็มีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านเป็นป ร, ริญญาเก้าประโยคเราไปเทศอยู่ในกรุงเทพท่านไปฟังก็พระผู้ใหญ่นิมนต์เราไปเทศในงานครบรอบปีของท่านนั่นแหละเราเทศเราก็เทศแบบปาลาลสิเป็นมหาก็ตาม ธรรมะเป็นธรรมะป่าเอามาจากป่านี่วะเทศแล้วแปลไปเรื่อยแปลก็แปลอย่างว่าแปลด้วยอัตตะพุ่งพุ่งพอออกมาแล้วท่านก็พูดว่ามหาบัวแปลผิดศัพท์แทนที่เราจะมาพิจารณาว่าเราแปลผิดศัพท์ได้มาแก้ไขเราในการแปลผิดศัพท์ให้แปลถูกศัพท์ไม่นะเกิดความสลดสังเวชโอ ท่านติดปริยัติดขนาดนี้เจ้านานู่นน่ะไปอย่างนั้นน่ะท่านไม่ได้มุ่งอาจมุ่งทำอะไรยิ่งกว่าทูลหนังสือนั่นขนาดนี้แล้วท่านไม่มีหลักมีเกณฑ์ภายในจิตใจเลยเห็นไหมละ่ะมันไม่ได้มาว่าเราปลาผิดศัพท์ตัวนั่นละ่ะตัวปลาผิดศัพท์กิเลสมันสับหัวอยู่นั่นไม่แปลตีให้มันแหลกสิว่ามาหาบัวปลาผิดศัพท์ นี่ถึงเวลามาพูดก็พูดเฉยเฉยแทนที่เราจะคิดถึงเรื่องเราแปลผิดศัพท์ผิดแสงไม่เลยนะพุ่งสายกิเลสคือแปลด้วยอัตตะแปลเอาความพุ่งพุ่งเข้าหาตัวจริงๆท่านเป็นลูกคลัาอยู่ตามธาตุวิพัตติปัจจัยวาจะกะอะไรกว่าจะยกมาเป็นศัพท์เป็นแสงแปลออกมาได้โธมันผ่านธาตุวิพัตติใหญ่มาขนาดไหน ก็เรียนมาหมดแล้วมันรู้ด้วยกันหมดทีนี้เวลาแปลเอาความไม่ยุ่งใส่ป u กเข้าไปเลยกี่แล่อยู่ตรงไหนใส่ป u กเข้าไปเลยทีนี้ท่านไม่เคยปฏิบัติท่านก็ไม่รู้สิเลยมาว่าเราว่าแปลผิดศัพท์เราเกิดความสลดสังเวชเลยฝากธรรมะไปหาท่านกับพระที่สนิทสนมกัน เราวิตกวิจารกับเจ้าคุณปู่คือท่านแก่มากแล้วอยากให้ท่านหนักทางด้านภาวนาสักหน่อยท่านจัดเจนทางปริยัติมากแต่ทางปฏิบัติรู้สึกท่านจะได้อยู่มากนะว่างี้ท่านยอมรับนะเนี่ยแหละที่หาว่าเราปลาผิดศัพท์นี่มันกลับคืนไปสอนท่านเข้าใจไหมท่านยอมรับท่านก็มาเยี่ยมเราเหมือนกันท่านยอมรับ ว่าท่านอ่อนแอมากทางด้านจิตตาภาวนานั่นเห็นไหมล่ะเวลาค่ากิเลสเราจะไปเอาพยัญชนะเอาศัพท์เอาแสงมายุ่งไม่ได้นะยุ่งไม่ได้เลยเข้าหาตัวเข้าหาตัวพึ่งๆเลยนั่นเรียกว่าปลาดยอัตถะปลาดยพยัญชนะไม่ยุ่งเลยที่ท่านติดอยู่ในปริยัติเสียพอแล้ว พ่อยับออกไปหาอัฏฐะปลาผิดศัพท์ท่านว่าผิดศัพท์ไหนนะสัพ์หัวกิเลสอยู่จังๆนี่ยังผิดศัพท์อยู่เหรอไอผู้ที่ว่าผิดศัพท์กิเลสศัพ์อยู่นั้นยังเข้าใจว่าปลาถูกศัพท์อยู่เหรอถูกศัพท์ก็ถูกศัพท์จากกิเลสนั่นแหละมันศัพ์มันยำเอานั้นนี่ก็ปลาดีอัฏฐะเหมือนกันใส่ปึ้งเข้าไปอย่างนั้นเรียกว่าปลาดีอัฏฐะ ให้ได้สติเครื่องเตือนใจในเวลาฟังภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติต่างกันมากนะเมื่อได้ผ่านทางปริยัติด้วยผ่านทางปฏิบัติด้วยแล้วพูดได้อย่างเต็มเหนียวทั้งสองด้านเลยปริยัตเดินยังไงเดินไปตามแถวตามแนวเรื่องราวก็ไปธรรมดาลอยๆไม่ปากลงปักล ง, กลงเหมือนปฏิบัตินะ เวลาออกทางภาคปริยัตเข้ามาปฏิบัตินี้มันปักลงสิไม่ได้ปักไป ล, ลอยๆอย่างนั้นลอยๆเราก็เรียนมาแล้วเราก็ลอยมาแล้วเวลามาปฏิบัติเราก็ปักลงไปแล้วปักลงไปแล้วมันก็รู้กันทั้งสองอย่างละสิทีนี้ความรู้ทางภาคปฏิบัตินี้อย่าเอามาเปรียบนะเรื่องความรู้เรียนปริยัตจบพระไตรปิฎกไหนก็เถอะ ว่างั้นเลยพระไตรปิฎกเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาจากพระไตรปิฎกอันใหญ่หลวงนั้นพระสงฆ์สาวกท่านตรัสรู้ขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาจากพระไตรปิฎกใหญ่ของท่านจึงแยกออกมาเป็นพระไตรปิฎกนั้นพระไตรปิฎกนี้เป็นกิ่งแขนงตัางหากต้นลําอันใหญ่โตอยู่ในพระไตรปิฎกใหญ่คือหัวใจของท่านท่านบรรจุไว้หมดเลยธรรม เพราะฉะนั้นทำในหัวใจนี้จึงกว้างขวางมากทีเดียวปริยัตเราจะเรียนมากน้อยเพียงไรได้แต่ความจำความจำแม้หนังสือเล่มเดียวถ้าอ่านไม่จบตอนที่ไม่ได้อ่านมันก็ไม่รู้ภาคปฏิบัตินี้มันเหมือนไฟได้เชือ้อเชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนคือสภาวะธรรมเป็นความจริงต่างๆ เป็นเหมือนเชื้อไฟความรู้ความเห็นภายในใจิตใจในธรรมทั้งหลายนี้มันเหมือนไฟมันจะลุกลามไปหมดแหละอยู่ที่ไหนที่ไหนมันจะลุกลามไปตามกันไปหมดเชื้อไฟขนาดไหนมันตามไปหมดมันตามรู้ตามเห็นไปหมดนั่นแหละนี่ภาคปฏิบัติมันผิดกันอย่างนี้นะผิดกันมากเราเป็นผู้เรียนมาด้วยเป็นผู้ปฏิบัติด้วย เราพูดตามความผ่านมาของเราว่าภาคปริยัตกับภาคปฏิบัตินี้ต่างกันมากทีเดียวภาคปริยัตเรียนมาถ้าไม่สนใจแก้กิเลสเรียนเท่าไหร่ก็ไม่มีทางแก้กิเลสมีแต่พอกพูนกิเลสขึ้นสำคัญมั่นหมายว่าตนได้ชั้นนั้นภูมนินี้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นสมเด็จแล้ว เลยเป็นบ้าสมเด็จไปเยอะนะทุกวันเนี้ยเราอยากจะพูดว่าบ้าสมเด็จนั่นแหละถ้าผู้เป็นสมเด็จท่านไม่เป็นบ้าเราไม่ว่านะเราว่า้ผู้ที่เป็นสมเด็จบ้านั่นแหะดินเหนียวติดหัวว่าเป็นสมเด็จและเป็นบ้าไปเลยนี่แหละทางด้านปริยัตยดถาบรรดาศัก์มันเสริมกิเลสได้ดีอย่างนี้แหละถ้าทางด้านปฏิบัติอย่าเอามา ปัดทีเดียวคาสะ บ, บั้นไปเลยตกห้าทวีปนูน่นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งได้เลยไม่ว่าคำนินทาสรรเสริญเหมือนกันทั้งนั้นตกลงไปหมดเลยไม่รับไม่มีอะไรเลิดเลอเท่ากับคำว่าพอแล้วพอแล้วนี่พอหมดไม่เอาเหล่านั้นเป็นส่วนแสส่วนเลยที่ว่าคำเยินยอคาสรรเสริญติฉินนินทาไปเอามาโปมาโป ธรรมชาติเป็นของจริงไม่รับสิตกออกหมดออกหมดนี่ภาคปฏิบัติลงปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วจะไปไหนไม่ไปตรงที่ว่านี้จะไปไหนก็ปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสกิเลสตัวไหนเป็นภัยแก้ออกแก้ออกก็มีแต่ความถูกต้องดีงามไหลายคนสู่ใจ ทีนี้ความรู้เวลาใจกับธรรมเข้าเป็นอันเดียวกันมันจ้าไปหมดเสียปริยัตเรียนมากี่พระไตรปิฎกเอามาสิเข้ามากับผู้ใจดวงที่ทากับใจเป็นอันเดียวกันนี้มันจ้าไปหมดครอบไปหมดเลยพูดตรงไหนออกปับ๊บออกปับ๊บมันมีอยู่เต็มหัวใจแล้วจะอาจจะอันที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะ พระสาวกท่านผู้ที่เชี่ยวชาญท่านเป็นอย่างนั้นจะว่าไงท่านอัดอั้นที่ไหนพูดออกมาปับ๊บรับกันแล้วรับกันแล้วสมควรที่จะตอบหรือไม่ตอบเท่านั้นเองตอบหนักเบามากน้อยออกทันทีทันทีช่องทางเข้ามานี่ปับ๊บช่องทางที่ตอบรับกันออกไปช่องเดียวกันน้ำยอกเอาน้ำบ่งไปเลยเชียว นั่นนี่หละภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นไม่งั้นแก้กิเลสไม่ทันถึงขั้นแก้กิเลสไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืนมีแต่แบบเดียวกันนี้มีแต่แบบฟัดกันแบบที่ว่าสวนหมัดกันสวนหมัดกันตลอดลืมวันลืมคืนบางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งฟัดกันตลอดกลางวันก็ยังไม่ยอมนอนอีกนี่ถึงขั้นของกิเลสกับธรรมะที่เกรียงไกร ล้ววัดกับกิเลสเห็นกันอย่างชัดๆอย่างนี้กิเลสพังลงพังลงจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งมีความคล่องแคล่วว่องไวเจียบขาดเจียบลามทุกอย่างขึ้นในจิตใจที่มีธรรมครองใจแล้วต่างกันนะนี่เราพูดถึงภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติที่เราก็เรียนมาเหมือนกัน เวลาออกมาภาคปฏิบัตินี้ความรู้ในภาคปฏิบัติไม่ได้เหมือนความรู้ปริยัตมันซ่านไปหมดเลยเหมือนไฟได้เชือ้อเชื้อไฟคือสภาวะธรรมที่มีอยู่ในที่ต่างๆความรู้คือธรรมนี้จะกระจายออกไปตามรู้ตามเห็นไปหมดจะว่าไงไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านจะรับสั่งมาหรือทุกพระองค์องค์ไหนที่ท่านปฏิเสธนรก ผู้เปรตอสุรกายบาปบุญตลอดถึงพรหมโลกนิพพานองคไหนท่านปฏิเสธรับรองยืนยันเป็นแบบเดียวกันหมดก็รู้อย่างเดียวกันนี่ท่านจะไปค้านกันได้ยังไงถ้าลงรู้แล้วเป็นความจริงอันเดียวกันไม่มีใครคัดค้านกันเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกัน